มงคลชีวิตมงคลที่สองคบบัณฑิตปันทิตานันจะเสวนาเอตัมมังคลมุตตะมังบัณฑิตหมายถึง ผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินไปด้วยความรู้ประโยชน์ปัจจุบันและภายภาคหน้าหรือผู้ดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทการครบหรือเสวนาหมายถึงการอยู่ใกล้สนทนาพูดคุยทำกิจการงานร่วมและประพฤติตามกันอาการที่ทาให้เรียกว่าบัณฑิต หนขณะที่จิตเป็นกุศลคือเกิดความไม่โลภไม่โกรธและเมตตากรุณาเป็นต้น 2. ขณะที่ประกอบกุศ ล, ลกรรมบทสบิมีเว้นฆ่าสัตว์และลักทรัพย์เป็นต้น 3. ขณะที่ประพฤติจริตทางกายวาจาใจเช่นการทำทานการพูดไพเราะเป็นต้น บัณฑิตนี้มีชื่อเรียกหลายอยา่างเช่นการยาน้มิตรสัตบุรุษนักปราดเป็นต้นลักษณะของบัณฑิต 1. คิดดีพูดดีทำดี 2. ยินดียิ่งในกุศ ล, ละธรรม 3. แนะนำในสิ่งที่ควร 4. ขอโทษเมื่อทำผิดพลาด 5. ยกโทษเมื่อมีผู้ขอโทษ 6. แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา 7. มากด้วยความเห็นถูกต้อง 8. ผู้ทำกิจที่มาถึงตนด้วยดี 9. เป็นผู้ประพฤตในกุศลธรรมส มีอาชีพหมดจดจากบาป1 1ทนต่อคำว่ากล่าววิพากวิจาร์ต่างๆ 12. เป็นผู้ปรามผู้อื่นจากความชั่ว 13. ประกอบด้วยธรรมของคนดีคือสัพปริสธรรมเช่นรู้หลักเหตุและผลเป็นต้นการคบบัณฑิตจัดเป็นมงคลเพราะ 1. นึทำให้เว้นชั่วตั้งอยู่ในความดี 2. รู้วิธีดำเนินชีวิตดีงาม 3. เจริญอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 4. ประสบแต่ความสุขไร้ทุกห้าจเจริญอยู่ในสมบัติทั้งหลายมีทรัพสมบัติเป็นต้น